ควมเห็นของตัวเองเนี่คือต้องเห็นตัวเองจะเห็นคนอื่นนั้นไม่ได้เห็นกําลังทํากําลังพูดกำลังคิดเรีว่าทิศจิคือความเห็นถูกต้องเห็นจริงๆถูกต้องจริงๆอันนี้จับได้ด้วยมือและมองเห็นด้วยตาที่จับไม่ถูกด้วยมือไม่ถูกต้องได้ด้วยมือมองไม่เห็นด้วยตาเนี่นก็คือจิตใจมันนึกมันคิดเราก็เห็นเราก็รู้อันนั้นเรียกว่าสัญญา ความหมายรู้และจำได้สัญญาอันนั้นไม่ได้สัญญาเหมือนอย่างที่เราเรียนกับตัวหนังสืออย่างที่สัญญาเราเรียนกับหนังสือจำได้มันลืมเป็นอันนั้นหรือคนอื่นพูดให้ฟังเราจำอะไรมันลืมเป็นมันหลงเป็นไม่ใช่สัญญาอย่างที่หลวงพ่อพูดนี่อันนี้สัญญาอันนี้ถึงไม่พูดถึงเรื่องตัวเองก็ตาม เมื่อมีคนมาถามเรื่องตัวเองต้องรู้ทันทีโลดสัญญาอันนี้มันมีแล้วดังนั้นการฟังธรรมะจึงเป็นสิ่งที่จำเป็นฟังแล้วต้องพิจารณาหรือลงมือปฏิบัติให้รู้แจ้งเห็นจริงตามความเป็นจริงอย่างที่พูดนั้นเมื่อเรามองธรรมะก็เช่นเดียวกันถ้ามองไปข้างเดียวก็ไม่ได้ผลเราจะรู้ตั้งแต่ดีอย่างเดียวไม่รู้ชั่วก็ไม่ได้ผลเราจะรู้แต่ชั่วอย่างเดียว ไม่รู้ดีก็ไม่ได้ผลธรรมะจริงเป็นกลางกลางเขาเรียกว่ามัตสิมาปฏิปทาเดินทางสายกลางวนะเนี่ยคำว่ากลางเนี่ยเราให้รู้จักว่ากลางอยู่ที่ตรงไห น, นบางคนก็รู้บางคนก็ไม่รู้ดังนั้นการปฏิบัติธรรมะจึงปฏิบัติที่ตัวเราให้รู้แจ้งเห็นจริงตามความเป็นจริงท่าว่าอย่างนั้นถ้าเห็นถูกต้องเขาไปลึกกว่านี้แต่กักําลังทำกําลังพูดกาลังคิด เห็นถูกต้องอันนี้ก็เห็นถูกต้องแล้วตอนนี้จิตใจเรากำลังคิดอะไรเราก็เห็นก็รู้นี่ก็เห็นถูกต้องเช่นเดียวกันดังนั้นคำว่าทิฏฐิจะควมเห็นถูกต้องถ้าไปเห็นคนอื่นแล้วไม่ถูกต้องเพราะไม่เป็นเรื่องของคนอื่นอาจะมาเคยพูดหรือผมเคยพูดแผ้ที่รีรลับตมิเราเยอยู่ที่ไหนก็รู้คนอื่นน่าจะรู้ดีเหนือเราไม่ได้ดังนั้นการปฏิบัติธรรมะที่ หลวงพ่อพูดนี่คือให้รู้จากตัวเองทีแรกต้องมีวิธีการวิธีการให้นั่งตรงหรือนั่งพับเทียบก็ได้ผัดสมาธิก็ได้เยียดขาก็ได้นั่งเก้าอี้ก็ได้นอนทำก็ได้แต่ให้เคลื่อนตัวอยู่เสมอจะนั่งนิ่งไม่ได้ถ้านั่งนิ่งมันไม่รู้สึกตัวความรู้สึกตัวจะมีน้อย เมื่อรู้สึกตัวมากขึ้นมากขึ้นทําเองนั่นเนี่ยทําเองต้องสร้างขึ้นมาเองเรียกว่าสติสติกับความรู้สึกตัวเป็นคำเดียวกันควาว่าสติคมและลึกได้น ะ, ะไม่ใช่ระลึกของเอาไปวางไว้ที่ตรงนั้นวางไว้ที่ตรงนี้คนนั้นสอนอย่างนั้นคนนั้นสอนอย่างนี้นไม่ใช่ระลึกนั้นอันนั้นเนี่ยป็นภาษาที่คําพูดกันมาในโรงเรียนครนะูต้องสอนอย่างนั้น คันว่าสติคมและลึกได้เนี่หมายถึงความรู้สึกตัวนี้เองการเคลื่อนไหวโดยวิธีใดวความรู้สึกตัวความรู้สึกตัวดีมากขึ้นมากขึ้นเพื่อการรู้แจ้งขึ้นมาการรู้แจ้งดีกว่าปัญญาไม่ใช่ไปพิจารณานะปัญญาตัวนี้ปัญญาพิจารณานั่นคือจาการฟังและการอ่านหนังสือการกระทํำวิปัสสนาจริงๆไม่ใช่เป็นการพิจารณา แต่คนอื่นจะเป็นอย่างไงไม่รู้ไม่ทราบหลวงพ่อทําไม่ต้องพิจารณาเลยทําพลิกมือขึ้นข้อ ม, มือลงยกมือไปเอามือมาเอียงซ้ายเอียงขวก้มเงยเลือดซ้ายแลงัวาพิษตาก็รู้หายใจก็รู้รู้มาเข้ามาเข้าเกิดปัญญายานยานจะว่าคมรู้อสารก็ว่ารู้ยานก็ว่ารู้ ไม่ใช่ว่ายานเหาะไปอย่างเหมือนนกไม่ใช่อย่างนั้นยานแปลว่าเข้ามารู้ตัวเองจิตวิธีของตัวเองมีอย่างนั้นือว่ารู้แล้วก็ไม่หลงไม่ลืมเพราะรู้เรื่องลูกนี่เองลูกได้แก่ร่างกายน้ำคือจิตใจนี่ลูกกับนามมันอาศัยซึ่งกันและกันถ้าลูกกับนามไม่อาศัยซึ่งกันและกันแล้วจากกันไปแล้วก็ตายเลยคนหมดลมหายใจเขาเรียกว่าตาย ไม่มีจิตไม่มีใจของแล้วก็คนไม่มีความรู้สึกตัวนี่ว่าคนตายหมดลมหายใจไาอย่างนั้นไปประโยชน์อะไรไม่ได้คนตายแล้วท่านว่าอย่างนั้นดังนั้นการปฏิบัติธรรมะจึงปฏิบัติที่ตัวเราให้รู้ตัวเราจริงๆรู้แล้วใครจะมาต่อว้าต่อเถียงก็เรื่องของคนอื่นไม่ใช่เรื่องของเราเรื่องของเราต้องรู้ของเราจริงๆเนี่รู้เรื่องรูปเรื่องน้ำลูปน้ำ ลูกทำมเนี่ยมันทำมันทําอะไรเขาเรียกว่าทำคือทําดีก็รูปอันนี้ทำทําชั่วก็ลูกอันนี้ทำก็ต้องเสียงทำจริงๆทำไม่ใช่เป็นตัวหนังสือที่หลวงพ่อพูดนี้่ในโลกนี้จริงๆมีความแสบเผ็ดทารุณเรียกว่าความไม่ดีไม่งามในโลกโลกทางเนื้อหนังต้องไปอาศัยหมอให้หมอตรวจเสซ็กต่างกายให้แล้วหมอผู้ที่มีความรู้จะให้ยารักษาทันทีก็หายบางครั้ง บางครั้งก็ไม่หายถ้าโรคทางจิตใจเล่าบัตรนี้โรคทางจิตใจเขาต้องอาศัยการทำผมรูสึกตัวหรือทำตามคำสอนของพระพุทธเจ้าถือจะว่าเป็นการรักษาโรคทางจิตใจโรคจิตใจคือโรควิญญาณเราเคยได้ยินไปโรงพยาบาลคนนั้นเป็นโรคเก็บหัวคนนั้นเป็นโรคประสาทเนี่ยโรคโรคนี่หมายถึงความไม่สบายกลมทุกนั่นเอง ดังนั้นความทุกข์นั่นจึงไม่ยกเว้นทุกคนต้องเป็นโลกทุกคนต้องมีทุกข์ความทุกข์ท่านเรียกว่าโลกจะเป็นโลกทางกายก็เป็นโลกเหมือนกันจะเป็นโลกทางจิตใจก็เป็นโลกเหมือนกันโลกทางวิญญาณก็เป็นโลกเหมือนกันโลกจริงว่าความทุกข์คือความแสบเผ็ดทารุนทุกคนไม่ต้องการแต่ก็ต้องประสบเรื่องนี้จริงๆนี่พระพุทธเจ้าท่านสอนคืว่าหนีไม่พ้นที่ว่ า, ร, วารู้จักว่าเมื่อโลก รู้จักโลกจริงๆแล้วก็รู้จักวัฏฏภาพข่มทุกทันทีเลยข่มทุกมันเคลื่อนไหวมาจากจิตใจทุกที่แก้ได้ก็มีทุกที่แก้ไม่ได้ก็มีท่านว่านี่ว่ามันเป็นไปตามธรรมชาติอย่างที่ทุกอย่างที่คนเราเกิดขึ้นมาทีแรกมันไม่น้อยนานมาก็ใหญ่ขึ้นมาเป็นหนุ่มเป็นสาวแล้วก็เป็นพ่อบ้านแม่เลือนแล้วก็เขเฒ่าแก่ตายไปอันนี้แก้ไขไม่ได้เลยมันเป็นไปตามหน้าที่ของมัน ให้ได้จากว่าโลกอันเนี้ยเป็นไปตามหน้าที่โลกที่จะแก้ไขได้คือโลกทางจิตทางใจโลกทางวิญญาณอย่างที่คนนั่งสบายกินสบายนอนสบายแต่มีบุคคลใดคนหนึ่งมายกยอเราหรือมาตําหนิเราเกิดพอใจไม่พอใจนั้นใจเป็นโลกแล้วจิตวิญญาณเป็นโลกแล้วนะั่นอันนั้นก็ทุกข์เหมือนกันนะ แต่บางคนอาจจะไม่รู้เพราะว่าความคิดมันคิดไปบางคนนอนไม่หลับเขาว่าโลกประสาทเขาเป็นโลกให้ซื้อว่าโลกแล้วไม่มีความดีแต่เราจะทิ้งโลกไม่ได้ก็ต้องอาศัยอยู่กับโลกอันนี้ดังนั้นการทําบุญก็าตามการรักษาศีลก็าตามการจเจริญกรรมฐานก็าตามการจเจริญนิพพานาก็าตามเราต้องมีความหมายหรือมีความจําเป็น เรื่อมีความดำริความนึกคิดไว้ในใจว่าจะทําเพื่ออะไรทําเพื่อความรู้แจ้งรู้แจ้งดะมีประโยชน์และมาแก้ปัญหาตัวเองคือแก้เรื่องทุกนี้เองเนี่ยแก้โลกถ้าแก้สิ่งนี้ไม่ได้พอคนนั้นยังไม่เข้าใจในหลักพระพุทธศาสนาคือยังไม่เข้าใจคําสอนของพระพุทธเจ้าว่าอย่างนั้นก็ได้เพราะพระพุทธเจ้าสอนแต่เรื่องโลกเรื่องทุกเท่านั้นเอง แต่เรื่องอื่นๆนั้นพระผูรเจ้าท่านก็สอนเป็นธรรมดาแต่เรื่องง่ายใจความหรือความสำคัญที่สุดก็เรื่องทุกนี่เองดังนั้นทุก์จึงมีมากถ้าเราสงสัยตายแล้วเกิดไม่ก็เป็นทุกสงสัยผีมีไม่ก็เป็นทุกสงสัยเทวดามีไม่ก็เป็นทุกเป็นทุกเพราะเรื่องอะไรเพราะเรื่องเราไม่เห็นแจ้งไม่รู้จริงนั่นเองเราเกิดสงสัยขึ้นมาเล็กๆน้อยๆ สงสัยน้อยก็เป็นทุกน้อยสงสัยมากก็เป็นทุกมากดังนั้นจึงทําให้รู้แจ้งเห็นจริงตามความเป็นจริงเมื่อเห็นแจ้งรู้จริงตามความเป็นจริงแล้วความสงสัยลังเลกังวลใจก็ไม่มีเมื่อไม่มีความสงสัยลังเลกังวลใจแล้วคนก็ต้องไม่ปีทุกทันว่าอย่างนั้นความทุกประเภทนี้ไม่ใช่ทุกอย่างอื่นความทุกที่ความสงสัยตายแล้วเกิดไหมเนี่ยก็สงสัยก็เป็นทุก เทวดาวมีไหมสงสัยก็เป็นทุกข์ผีมีไหมสงสัยก็เป็นทุกข์ตายแล้วไปตกนรกไหมสงสัยก็เป็นทุกข์ตายแล้วไปสวรรค์ไหมสงสัยก็เป็นทุกข์ความทุกข์เพราะความสงสัยจึงมีความคิดสับสนวุ่นวายคนถ้าไม่มีความสงสัยไม่ต้องมีความคิดไม่ต้องสับสนวุ่นวายเป็นอย่างนั้นดังนั้นความทุกข์จึงไม่ยกเว้นใครทั้งหมดจะมีความรู้สูงสูงเรียน ได้ปริญาตีปริญาโทรปริยาเอกก็ยังมีความสงสัยกังวลใจเพราะเรื่องความคิดนี้เองมันเกิดสับสนวุ่นวายหยุดความคิดไม่เป็นเหมือนนี่หยุดความคิดไม่เป็นก็คิดไปคิดเรื่องนั้นมาติดคิดเรื่องนี้มาต่อก็หยุดความคิดไม่เป็นคนประเภทนั้นเนี่ยบอกคนมีขมทุกพระพุทธเจ้าท่านจริงสอนว่าคนมีขมทุกมีแต่ทุกเท่านั้นเกิดขึ้นมีแต่ทุกเท่านั้นตั้งอยู่ มีแต่ทุกขอนั้นดับไปเนี่ยพระพุทธเจ้าท่านสอนคือตัวความคิดเป็นทุกข์ดังนั้นเรามาศึกษาและมาปฏิบัติธรรมะเจึงศึกษาเข้าไปให้มันรู้ว่าความคิดมันคิดมาหยุดได้อันนี้จึงว่าแก้โลกได้โลกอันนี้แก้ได้ทางพุทธศาสนาหรือคําสอนของพระพุทธเจ้าท่านมาแก้ได้เราแก้ไม่ได้ก็เพราะเราไม่รู้นั่นเองถ้าเรารู้จักวิธีและต้องแก้ได้ สิ่งนี้มันไม่คิดมันคิดไม่ดีก็หยุดมันได้เรี่บางคนคิดไม่ดีก็หยุดไม่ได้หลวงพ่อเคยเจอกับคนเป็นจำนวนหลายคนแล้วหรือมากก็ได้เรียนได้จบปริญญาเอกมาแล้วก็มาถามเอ้ยผมคิดทำไมนอนกลางคืนก็ฝันนี่คิดอย่างไรไม่หยุดเป็นเนี่ยบางคนบางคนเรียนเป็นหมอเรียนเป็นหมอจบเป็นหมอแล้วไปรักษาคนไข้ คนยังมีความคิดอยุ่ควมคิดไม่ได้อันนั้นมันดีแล้วผมรู้แบบนั้นแต่ว่ามันไม่สถิตของรู้ที่จะมาแก้ทุกขเรื่องนี้แต่แก้ทุกเรื่องโลกทางเนื้อหนังแก้ได้หมอบัด น, นี้คนที่จะเขียนหนังสือทำเป็นจดหมายหรือเข้าไปศึกษาแล้วเรียนเป็นทานายความหรือเป็นอะไรก็ตามคนเขียนหนังสือรู้จักทำเป็นแต่เรื่องจิตใจนี่คนทาไม่ค่อยเป็ด น, น้อยคนทาได้เรื่องนี้ดังนั้นพวกเรามาที่นี่ มาฟังธรรมะที่นี่ต้องทำความเห็นให้ถูกต้องจึงจะเป็นสัมมาทิฏฐิเรื่องสัมมาทิฏฐิจะมีมากมีเปลือกมีหมอกมีกะที่มีแก่นมีแก่นเป็นอย่างนั้นดังนั้นการทำความรู้สึกตัวนี้จึงมีอานิสงส์มากอานิสงส์การรู้สึกทำความรู้สึกตัวนี่จะงบประมาณเป็นเงินเป็ น, ป น, ปนทองไม่ได้ซื้อไม่ได้ขายไม่ได้ จะเปรียบให้ราคาเท่าไหร่ก็เปรียบไม่ได้เพราะเรารู้เองเห็นเองเข้าใจเองอันนี้จีว่ะไม่เชื่อใครทั้งหมดเพราะเรารู้ดีจะไปเชื่อคนอื่นทํามันแต่ตัวจริงแล้วคือเรารู้ตัวเราเองนั่งอยู่เนี่ยกําลังเอียงมาข้างซ้ายเขารู้สึกตัวนี่รู้จริงไม่รู้จริงเอียงมาข้างหัวาเนีรู้จริงมรู้จริงตาเธอมีไม่จับถูกทันทีหูมีไม่จับถูกทันทีเพราะเรามีสองตาสองหู เคลื่อนไหวโดยวิทยาคนรู้เรี็ว่าถูกต้องจริงๆไม่พลาดเลยอันนี้แปียวคมเห็นถูกต้องบัด น, นี้เดียวจิตใจเราคิดขึ้นมาดีใจเสียใจเนี่ยเราก็เห็นไม่พลาดเลยอันนี้เพราะทุกคนรู้จะรู้แทนกันไม่ได้ดังนั้นจึงว่าสันธิกิโกนอันผู้รู้จะฟังเห็นเองอาการเรียกโคไม่ประกอบการและเวลาจะมียุคใดสมัยใดก็ตาม จะมีพระพุทธเจ้ามาตัดสัลุก็ตามไม่มีพระพุทธเจ้ามาตัดสัลุก็ตามจะเป็นกลางวานันกลางคืนก็ตามหรือเฝ้าเย็นก็ตามเราต้องรู้ตัวเราจริงๆอันนี้เป็นทิฏฐิของหลวงพ่อนี่นะี่คือบุญแท้บุญแท้คือรู้ตัวเองนี่เองแต่บุญอื่นๆนั่นก็ดีแล้วแต่มันยังเป็นวิสัยของคนที่ยังไม่เข้าใจตัวเองดังนั้นเมื่อเป็นอย่างนี้ก็ต้องยกมือไหว้ตัวเองได้ เพราะว่าเราไม่เคยรู้เพราะการเคลื่อนไหวรู้สึกตัวนี่จึงมีอานิสงส์มากจะคิดเทียบราคาเงินก็ไม่ได้จะคิดเทียบราคาอันไดไม่ได้ทางนั้นเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่ซื้อไม่ได้ขายไม่ได้ดังนั้นคนถ้าหากรู้จิตรู้ใจรู้ชีวิตตัวเองแล้วก็เรียกว่าคนนั้นขมพุกจะน้อยไปหรือถึงกับไม่มีก็ได้แต่เพียงมาจับใจคมท่านๆ ปฏิบัติเพื่อเนมาแก้ปัญหาเรื่องโลกนี่จริงๆโลกเนี่ยให้เข้าใจว่าขึ้นคือว่าโลกดินฟ้าอากาศก็เป็นโลกเหมือนกันถ้าเราไปอยู่ซากแดดมากๆก็ร้อนก็เป็นโลกถ้าลมพัดจัดๆก็หนาวก็เป็นโลกเช่นเดียวกันฝนตกถ้าเราไปให้ฝนรดเราก็เป็นโล ก, กคําว่าโลกเนี่ยให้เข้าใจจริงๆหมายถึงความทุกข์โลกคือดินฟ้าอากาศ โลกคือหมู่สัตว์ที่อาศัยโลกคือสัตว์ที่กําลังเป็นอยู่ทันวันมันมากดังนั้นที่เราไปโรงพยาบาลพูดแล้วเมื่อกี้เนี่ยเราไปเห็นคนนอนไข้ยอยู่โรงพยาบาลในเตียงเป็นโรคอะไรเนี่ยเราถามกันคําว่าโลกเนี่ยให้เข้าใจว่าคุณเป็นอะไรเล่นน้อยที่สุดตัวคุณเป็นโรคอะไรนี่ถามา ก, กันโรคจึงมีความทุกข์มากคนไม่รู้จักโลกก็จะอาศัยความทุกข์นั่นแหะเป็นควมสุข คนเมื่อรู้จักโลกจริงๆแล้วเขาจะพยายามหันเหหีจากโลกให้ได้โลกทางเนื้อนหนังนี่หนีไม่ได้ต้องเปลี่ยนต้องกายแต่โลกทางจิตใจนั่นน่ะจะเอาออกได้จะไม่ทิศสับสนวุ่นวายอย่างที่ญาติโยมหรือเพื่อนภิกษุฟังผมพูดหรือฟังอตาตมาพูดเดี๋ยวนี้จิตใจเป็นยังไงถา ม, ม, มเปนะ็นย <Hey, hey. S 2> ังไงเฉยๆอันนี้แปลว่าไม่มีโลกใช่ไหมเนี่ยไม่มีโลกนั่น ในบั น, นี้มันคิดกับสนคึกวุ้นวายขึ้นมามันเป็นโลกยังจะสบายไม่ได้ใช่ไหมเนี่ยมันเป็นโลกดังนั้นทุกคนมันมีแต่เราไม่เคยสนใจที่ตรงนี้ที่ว่าไปหาเอาสวรรค์นอกตัวเราไปหาเอานิพพานนอกตัวเราแล้วหาของไม่มีที่อยู่มันจะได้ไหมมันไม่ได้ถ้าหาที่ตรงนี้เข้าใจว่าจะไม่พลาดผิดเพราะทุกคนจะเห็นได้เรื่องนี้จะแนะนากันไม่ได้แต่เพียงแนะนวิธีให้ได้ เรียกพูดออกมาแล้วรู้จักกันได้ดังนั้นการทําสมถะกรรมฐานกตา็ต่างการเจริญ น, นิพพสนาก็ต่างมันเป็นคําพูดแต่เมื่อเราเห็นแจ้งรู้จึ้งแล้วใครจะว่ายัางไงเพได้เพราะเราไม่อยู่กับสมมุติอันนี้แต่เราก็อยู่กับสมมุติอันนี้สมถะกรรมฐานจึงเป็นอุบายให้สงบจิตสงบใจกันว่าเมื่อนั่งให้มาสงบจิตสงบใจแล้วก็มาที่แขนหนาวเองหาวอันนั้นเป็นอย่างนั้นอันนั้นเป็นอย่างนั้นอาการสาติสสองผมฟันขนเล็บ มาพิจารณาจนอันนั้นเป็นสมถะกรรมฐานเพียงให้มันสงบจิตสงบใจแล้วก็มาพิจารณาเองไม่ใช่วิปัสนาวิปัสนาเนี่ยแปลว่าเห็นแจ้งรู้จริงไม่ต้องใช้สติปัญญาไม่ต้องไปนึกไปคิดอะไรมันขึ้นมาเองนี่ว่าหยาญย่อมมีไงวะถึงที่สุดแล้วหยาญย่อมมีพระพุทธเจ้าท่านสอนเอาไว้บันนี้ในตำราก็มีเขาะตั้งเขียนไว้นะแต่ว่าจะเป็นพระพุทธเจ้าพูดหรือใครพูดก็ไม่รู้มีหนังสืออยู่ คือธรรมวิภาคปริเสตสองก็มีอยู่กับหลักสูตรนักธรรมสั้นเอยคือธรรมวิการก็มีหรือผู้ที่เคยศึกษาเล่าเรียนบาลีจะคงจะมีหลายที่เหมือนกันดังนั้นน่ะถึงที่สุดแล้วยานย่อมมีคำว่าถึงที่สุดแล้วยานย่อมมีถึงที่สุดอะไรที่ตรงไหนเราอาจจะไม่รู้เมื่อเราปฏิบัติให้มาลูกของจริงเราจะรู้เองเห็นเองเข้าใจเองอย่างที่หลวงพ่อเคยพูดให้ฟังเอาเสือกผู้ปอะสนนี้ หลักนี้เอาต้นนั้นไปพูดตัดตรงกลางแล้วเนี่ยมันขาดออกจากกันได้อันนั้นเดี๋ยวคือมันไม่มีการลกวงคือจิตใจจะไม่สับสนเพราะ่งนี้มันไม่ควรคิดให้มันก็หยุดได้กันหน่อยบัดนี้มันที่เรากําลังเปลี่นโลกอย่างโอ้ยมันไม่อยากให้มันคิดในเรื่องนี้แล้วมันก็คิดขึ้นมาบางทีเอาพวกกันใกล้ๆนะสามีภรรยาอยู่ด้วยกันถึงเวลามาไม่มาคิดสงสัยขึ้นว่าจะหาว่านอกใจกันเนี่ยทุกขึ้นมาแล้ว มันคิดขึ้นมาความคิดประเภทเนี้เราอยากห้ามให้มันหยุดมันก็หยุดไม่ได้สามีออกนอก บ, นบ้านบ่อยๆก็ไม่ไว้ใจเยเป็นอย่างไนภรรยาไปไม่ตรงเวลาก็ไม่ไว้ใจความคิดอย่างเนี้ทุกคนคงจะประสบกันมาไม่มากก่็ น, น้อยถ้าหากผู้ที่ไม่มีครอบครัวก็จะให้เพื่อนเราจะพูดอย่างนั้นให้เราหรืมั้งวันนั้นเคยพูดอันเรื่องอันนั้นวันนี้เคยพูดเรื่องอันนี้พรุ่งนี้อาจเขาจะพูดเรื่องนี้หรือวันพรุ่งนี้เขาอาจจะพูดเนี่ยมันคิดขึ้นมา ความคิดประเภทเนี้ไม่มีมากก็ น, น้อยทุกคนต้องมีรึกความคิดอยากกินอาหารดีๆอยากได้เสื้อผ้าดีๆอยากได้ของดีๆความคิดประเภทนี้ต้องมีทุกคนจ่มาหยุดไม่ได้ทำไมหยุดไม่ได้เพราะเราไม่วีวิธีอยุ่เพราะเราไม่รู้วิธีการนั่นเองพระพุทธเจ้าถ้าจริงสอนให้เราทุกคนจเจริญสติจเจริญสมาธิจเจริญปัญญาให้ปัญญามันรู้เองเห็นเองเข้าใจเองดังนั้นสมถกรรมาฐานจึงว่า ไม่รู้กิเลสจึงไปตกอยู่ความสงบเป็นอย่างนั้นคดีนิพพานเนี่ยไม่ต้องหยุดแค่กิเลสสงบแบบนั้นคือสงบแบบเห็นแจ้งรู้จริงคนมาพูดให้ยกยอบางที่เขสมดีใจบางคนเขามาตำหนิเราที่เราทําไปมันไม่ดีจ้ะเนเสียใจไม่พอใจมันยังมีอย่างนี้นย อ, นยยนอยู่อันนั้นมันแก้ปัญหาเรื่องนี้ไปเพราะจิตใจยังเป็นโรคสับสนวุ่นวายอยู่จ้ะเงีย เมื่อมาทําผมรู้สึกตัวนี่อ๋อเรื่องนั้นมันเป็นเรื่องที่แก้ปัญหาไม่ได้แต่คนโดยมากเขเลยถือว่าเมื่อคนนั้นสวยดีงามเรารู้จิตใจและตัวเองห ร, อหรืออย่างจะไปเห็นคนอื่นว่าสวยว่าดีว่างามแต่ยกยอ เ, อเขานั้นดีไหมดีแต่ตัวเราดีหรือไม่เตอนนั้นเองดังนั้นการทําทุกสิ่งทุกอย่างให้ตัวเราดีเหมือนกับตัวท่านดีนั้นพระพุทธเจ้าตรัสรู้เพราะการทําทางจิตทางใจเถ่านั้นแต่ทุกคนได้ยินกันมา แต่การทำทางใจทำยังไงไม่ค่อยเข้าใจกันหรือไม่ค่อยสนใจกันว่าอย่างนี้เขาได้ไปสนใจเรื่องคนนั้นดีคนนี้ชั่วแต่เรื่องตัวเองไม่เคยสนใจเลยหลวงพ่อเป็นอย่างนั้นเมื่อมาสนใจตัวเองอเรื่องคนอื่นไม่ใช่เรื่องเราคนอื่นมาทำให้เราทุกข์ไหมไม่เราเองเป็นคนหลงตนลืมตัวหลงกายลืมใจหลงชีวิตเราเองไม่มีเรื่องอะไรถ้าหากไม่หลงตนไม่ลืมตัว ไม่หลงกายไม่ะลืมใจไม่หลงชีวิตเราแล้วพอเรียกว่าเราไม่หลงเราไม่ลืมแล้วเขาเข้าไปใกล้ใกับพระนิพพานพระนิพพานจึงว่าเป็นคนไม่หลงไม่ลืมแต่ไม่ใช่หลงอันนี้คือไม่หลงนิพพานคือไม่ลืมนิพพานจะไปไหนมาไหนก็ต้องไปกับนิพพานอยู่กับนิพพานกินกับนิพพาน